เพราะฉอัตตาทั้งที่เป็นเอ่อเอาใหม่นะปัจจุบันทั้งโดยอัตตาสันตติและขณะวิธีพิจรารณาก็โดยอัต t าก่อนเนี่ยนะอย่างเช่นอ น, นิจจังน่นนะพิจรารณาอนิจจังก็เช่นว่าอดีตชาติหมดแล้วไม่เห็นมีถึงชาตินี้เลยมีปลอยผมติดมาสักปลอยไหมมาถึงชาตินี้นี้แล้วของชาตินี้นะจะขอเอาส่วนไหนติดเนื้อติดตัวไปบ้าง เอาเกสาไปสักสิบเส้นนะหรือเอาไปกระจุกหนึ่งเอาไหมอขอฟันไปสักซี่หนึ่งอะนะไปเป็นของชาติหน้าสักซี่หนึ่งเอาไหมก็ไม่เอาแล้วมันก็หมดนะของชาตินี้หมดและฉะนั้นอดีตก็หมดแล้วนายอดีตอานาคตก็แม้แต่อานาคตก็แบ่งเป็นชาติชาติต่อไปใช่ไหมของที่อยู่ในชาตินี้มันก็ไม่เลยไปหาอนาคตแต่ชาติมันก็อนนี้จังคือเนื่องจากว่ามีแล้วก็หมดจากไม่มีแล้วมามีมีแล้วก็หมด เพราะฉะนั้นไอกรอนหน้านี้ขันห้าในในพบนี้มันก็ไม่เคยมีมาก่อนแล้วมามีขึ้นพอมีขึ้นมาถึงหน้าจุดหนึ่งก็หมดเย่านั้นก็ตัดตอนหน่อยมันนั้นพันวิธีที่เรียกว่าสัมมาสนะอีกในหนึ่งเาเรียกว่าอัธาอาธ า, น, า น, น, นนิเขปะันนนิเขปะอาธานะแปลว่าปฏิสนธิ มุ่งไปที่ปฏิสนธินิเคปะถือว่าจุติเพราะฉะนั้นไอ้ระหว่างเนียที่ดำรงอยู่ก็ไม่เที่ยงะนะจากไม่มีแล้วมีขึ้นมีแล้วก็หมดไปตลอดซ้ายนี่นะแปดสิบปีเนี่ยมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ก็เอาความทุกข์มาจับเช่นทุกขะทุกสังขารทุกขวิปริณามทุก ก็เอาทุกเหล่านี้มาจับหรืออีกในหนึ่งเอาปฏิชนะทุกอัปปติชนะทุก ข, กขมาจับเเอาโรคเป็นต้นมาจับเอ๊ะมันไอที่ดำรงอยู่แปดสิบปีนี่มันสุขจริงหรือทุกจริงกันแ น, น, น, น่เห็อ้าวไม่ค่อยมีทุกข์กระทุกแต่ก็ยังอยู่ในประเภทสังขารทุกหรือวิปรินามทุกบางอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นคนทุกข์ใจมากมากแต่เก็บเก่ง ก็เลยเป็นอัปติชนะอัะอปติชันะทุกทุกปกปิดไปไม่บอกคนอื่นเนี่ยนะ้นก็โดยจับองรวมรวมแล้วแปดสิปีก็ไม่ได้มีความสุขอะไรทีนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความหมายของคำว่าทุกข์ดีก็คือชราพยาธิเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยชรากับพยาธิเพราะฉะนั้นที่ดำรงอยู่แปดิปีไม่ได้สุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะ อ้าวแล้วมันเป็นใครหรือเปล่าล่ะไอ้ที่ที่อยู่นี่นะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกอย่างนี้ถามว่าใครและของใครถ้าถามว่าใครมันไม่ใช่ใครหรอกมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วมันของใครมันไม่ใช่ของใครหรอกเพราะมันเกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่บริขารไม่ใช่ของเราไม่ใช่บริขารของเราไม่ใช่ของคนอื่นไม่ใช่บริขารของคนอื่น มันจึงไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครถามว่ามันมีไม่มีมีอะไรมีในฐานะเป็นขันที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีไม่มีแต่มีสิ่งที่มีนั้นไม่เที่ยงกับเป็นทุกข์เป็นสัจจะไหมเป็นเป็นในฐานะทุกขสัตเนี่ยนะทุกขสัจก็จะลืมวิเคราะห์ศัพท์เขาใช่ไหมทุกของพระพุทธเจ้ากับทุก ข, ของเราบางทีอาจจะคิดคนละอย่างนะทุก ข, ของพระพุทธเจ้ามาจากคําว่าทุกบวกขังทุกแปลว่า อันนี้ก็ได้แล้วแต่จะแปลนะใครแปลได้รู้สึกว่าน่าเกลียดมากก็ได้นะเนี่ยงค้งแปลว่าเปล่าเนี่ยไงค้งว่าเปล่าเนี่ยเช่นอากาศคือคำว่าว่างเปล่าในที่นี้ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่มีแต่ไม่มีอะไรไม่มีนิจจะในนี้เลย ไม่มีสุขะที่แท้จริงในนี้เลยไม่มีอัตตะที่แท้จริงแล้วก็ถ้ารูปก็ไม่มีสุภะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์อ น, นัตตาด้วยป่วยบ่อยด้วยเนี่ยนะท่านก็เลยเรียกว่าเป็นทุกขังเนี่ยนะในในนี้ น, นี้ทุกในฐานะของพระพุทธเจ้านะแต่ถ้าเป็นชาวไทยเราจะรู้ว่าแปลว่าเจ็บอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะทุกขางธรรมะไม่ได้แปลว่าเจ็บ เนี่ยนะคือคือเจ็บก็ไม่ใช่ว่าผิดนะก็ถูกแต่ไม่ใชถ่ถูกไม่หมดงั้นเถอะแล้วก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาทีนี้ถ้าบางคนนะอย่างเกิดมาชาตินี้แล้วมาละลึกชาติได้สมมตินนะชาติที่แล้วเป็นราชาว่า ง, งั้นเถอะเอาโอ้โหไปที่ไหนนะว่าชาติที่แล้วฉันเป็นพระราชานะบางคนนี่มันเพลดิดเพลินในอดีตชาติจริ ง, รงๆนี่อีกอีกเจ้าหนึ่งนะ อีกเจ้าหนึ่งไม่ได้ชาติหน้าฉันต้องเป็นราชาก็ตั้งความปรารถนาในอนาคตหรือชาติปัจจุบันเนี่ยฉันเป็นอะไรล่ะก็ไม่พ้นตันหาเพราะฉะนั้นวิธีแก้ตันหาก็คือเห็นโดยความเป็นอ น, นิจจงทุกขังแล้วก็อนัตตาก็จะแก้ตันหาอไอ้เรียกว่าในส่วนแบบโดยอัฏฐาก่อนเนี่ยนะโดยอัฏาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยนะ เนี่ยนะขันในปัจจุบันก็อาศัยปัจจัยบางส่วนจากในอดีตเช่นอวิชาตันหากรรมอาศัยของอดีตอาหารในส่วนของชาติปัจจุบันเพราะเกิดมาปัจจุบันก็มาทํากรรมเป็นต้นเนี่ยนะครั้นเขาจึงมีวิธีพิจารณาอีกในหนึ่งท่าแบบมองแบบปฏิจจสมุปบาทเพราะว่า ตัวที่เป็นปัจจุบันที่เป็นมองเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยนะอาศัยอดีตเหตุมาเป็นปัจจุบันผลปัจจุบันผลเป็นปัจจุบันในเหตุเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลอดีตเหตุที่รู้รกันก็คืออวิชชากับสังขารเนี่ยนะอวิชชาก็คือโมหะสังขารก็คือกรรมทีนี้ถ้าเว้นตันหาเสียเกิดได้ไหม ไม่ได้เว้นอุปาทานใช่ไมไม่ได้กเว้นภพบส่ไมไม่ได้ก็เลยเท่ากับอดีตเหตหุมาให้ผลเป็นอัธาปัจจุบันเนี่ยนะมีห้าอีกเหมือนกันหที่เป็นปัจจุบันของเอ่อเป็นผลปัจจุบันของอดีตเหตุนะคืออะไรวิญญาณนามรูปสลายตนะน เนี่ยนะภาษาเวทนาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างดีของอวิชชาอีกตามเดิมคือเอาเอางี้นะพอมีวิญญาณปุ๊บคิดเลยนะวิญญาณวิญญาณสมุทัยวิญญาณนิโรธวิญญาณนิโรธคาวมีนิปฏิปทามีอันนี้ไหมมีไหมคุณี่เราวันอ๋อไม่ค่อยได้คิดเลยนะอันนี้ก็เป็นอันนี้ไป คือไม่คิดก็ไม่เป็นไรนะ ก, ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นอวิชชาเท่านั้นเองอ น, น, ะนะเอานะนามรูปนามรูปสมุทัยนามรูปนิโรธนามรูปนิโรธขคามินีปฏิปทาไม่คิดอีกอวิชชาอีกสลนะนะายยตนาสลายยตนาสมุทัยสลายยตนานิโรธสลายยตนานิโรธขคามินีปฏิปทาไม่รู้ก็อวิชชาไปภาษาภาษาสมุ ท, ทัยภาษานิโรธภาษานิโรธขคามินีปฏิปทาไม่รู้ก็อวิชชาไปเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนาไม่รู้ นิโรธเวทนานิโรธถามินีปฏิปทาถ้าไม่รู้ก็เป็นอวิชชาไป ก, ก็ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมก็เออเห็นก็ชอบเนี่ยนะก็เห็นแล้วก็ชอบโลภะเกิดอีกโลภะก็คือตันหานะแหมฉันมีบุญเหลือเกินน่าได้มาเห็นใช่มอันนี้โลภะอีกใช่ไหมโอ้โหแหมอันนี้ช่างภาษะดีจริงสุขเวทนาเหลือเกินสุขมาก ก็ไม่เป็นไรก็โลภะไปโลภะนี้อีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอุปาทานเพราะยึดเทีนี้ยึดเนี่ยบางพวกก็ไปยึดโดยความเที่ยงบ้างโดยสุขบ้างโดยเป็นอัตตาบ้างก็เลยมีการยึดอย่างนี้ขึ้นก็คิดในใจเฉยๆก็เป็นมโนกรรมพูดก็เป็นวจีกรรมอะไรเดินยืนนั่งนอนเป็นต้นก็เป็นกายกรรมนั่นนะ อวิชาตันหากรรมกรรม น, นี้เรียกว่ากรรมมพบพบก็คือสังขารเนี่ยนะก็ อ, อ, อวิชาตันหาอุปาทานเป็นรหัสบอกว่าเกิดแน่ปฏิสนธิใหม่แน่นอนส่วนพบเนี่ยนะกรรมมพบเนี่ยกับสังขารเป็นตัวรหัสบอกว่าควรเกิดที่ไหนเนี่ยนะ ควรเกิดที่ไหนและเป็นอะไรถ้าเป็นมนุษย์นะสมควรจะมีตระกูลอะไรเกิดมาแล้วสุขภาพควรดีแค่ไหนรวยไหมอะไรไหมเนี่ยนะองค์ประกอบแล้วขีดความสามารถของการเกิดมาชาตินี่เป็นยังไงก็ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเขาก็มองหนึ่งนะอายุอายุยืนอายุสั้นเนี่ยนะอาจจะแค่ว่า ไม่ทันข้อแล้วเขาก็ตัดแขนทิ้งเลยตั้งแต่อยู่ในคันอย่างนั้นก็ได้อย่างงี้ยนะว่าควรจะอายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะอันนี้อันหนึ่งอายุอย่างที่สองอะไรอีกผิวพรรณเนีย่ยนะว่าควรจะผิวงามหรือว่าไม่งามแค่ว่าเขาเห็นครั้งเดียวก็พอหรือว่าเขาอยากเห็นครัง้งหลายๆครั้งซ้ําเนี่ยนะก็ดูก็จักกรรมอย่างงี้ยแหละแล้วอะไรอีกผิวโพคะ นไะว่าฐานะควรอยู่ระดับไหนเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยมันทํางานวันละสมมตินะทำงานวันละสมมิบสองชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าทําเสร็จนะติดหนี้รายปีปีละห้าหมื่นก็ว่าไปนะทํางานวันละสิบสองชั่วโมงแต่ว่าสรุปนะหนึ่งปีเนี่ยลบแล้วเหลือห น, นี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้อีกคนหนึ่งสิบสองปีเนี่ยกําไรเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันไม่เท่ากันนะโคคะเนี่ยไม่ใช่ว่าขยันมากแล้วจะรวยมากเท่ากันอะไรเห็นไะห บางคนยิ่งขยันแล้วก็ยิ่งหนี้ท่วมก็ได้แล้วต่อไปเอกเขาอะไรวัดเอกตระกูลนนะควรจะใช้นามสกุลไหนคือถ้าเป็นไทยนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเป็นอินเดียนี่ก็แ yeah, ย่มากันคุณเกิดวันน้าไหนล่ะกระสับพรามแพทยสูตรหรือจันทานจันทานนี่เขาชื่อเพราะนะเขาเรียกอิสูตรอาิสูตรก็คือจันทานทีนี้อาทิสูตรนี่ถ้าเกิดตระกูลจันทานนะ ก็ไปดื่มน้ําบ่อเขาไม่ให้ดื่มอ่ะถ้าถ้ากุ้งหอยปลูปลาหมูหมากาไก่ไปกินน้ําบ่อนั้นได้แต่ถ้าคนอที่สูตรห้ามไปกินน้ําบ่อนั้นเด็ดขาดอย่างเงี้ยฟังก็ถูกรังเกียจมากกว่าสุนัขว่านั้นเถอะนี่ก็ตระกูลก็สําคัญแล้วก็อีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือศักดิ์อันนี้นะถ้าพูดแบบไทยๆก็ศักดิ์ศรีก็ได้เห็นไหมว่าศักดาเนี่ยนะอันนี้หมายถึงเดชหรืออํานาจ มีเดทไหมว่าพูดแล้วก็โอ้โหคนนี้คอยฟังเลยนะไอ้เมื่อไหร่คนนี้จะพูดสักทีหนึ่งหรือคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยพูดมากไปลดลดหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็ก็แล้วแต่ว่าเดทขนาดไหนนะบอกว่าพูดมากไปแล้วหยุดหยุดหน่อยเอนะแล้วต่อไปอย่างอื่นอีกคือปัญญาเห็นไหมฉลาดมากหรือฉลาดน้อยเนี่ยนะว่าทันเพื่อนไหมหรือไม่ทันเนี่ยนะ แล้วก็ยังมียังอื่นอีกนะอะไรที่พวกริษยาเนี่ยนะกรรมประเภทไหนนะริษยาเออศักดานะอายุยืนเอ่อโรคนะเกี่ยวกับเรื่องโรคอีกสุขภาพดีหรือไม่ดีทั้งหมดเนี่ยกรรมเป็นตัวกาหนดทั้งหมดนะทั้งหมดนี้รวมๆนี้บวกคติเข้าไปด้วยนะคติอะไรคติห้ากำเนิดส นนะเนี่ยนะกัมเนศสีคติหวิญญาณทีติ7ศสัตตาวาส9าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสมควรแก่แก่กรรมเนี่ยนะแต่ว่าที่กรรมมันให้ผลก็เพราะอาวิชชาตันหากับอุปาทานเนี่ยนะทีนี้วงจรอันนี้เนี่ยนะอย่างคุณวิลาวันบอกไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องไม่เพลิดเพลินในสิ่งนี้มันมีเงื่อนไขถ้าเพลิดเพลินก็เท่ากับว่าเพลิดเพลินทีงก็ทุกทิงเอานะถ้าไม่เพลิดเพลินก็ไม่ทุก ว่าไหนล่ะแต่คําว่าไม่เพลิดเพลินไม่ใช่ไม่สนใจนะพระพุทธศาสนาไม่มีนักข้อปฏิบัติบอกว่าอย่าสนใจมันไม่มีมีแต่ว่าควรพิจารณายัางไงใช่ไหมก็มักแปดนะก็เปลี่ยนจากอาวิชาให้เป็นอะไรแทนเป็นวิชาหรือเป็นปัญญาเปลี่ยนจากโลภะเป็นอโลภะหรือสมถะไงนะ เปลี่ยนจากปัญญาเป็นวิปัสนาเนี่ยนะเปลี่ยนจากอุปาทานเป็นศีลเป็นไตรสิกขาเนี่ยนะเป็นเป็นไตรสิกขาแทนกรรมแล้วก็มาเจริญกรรมใหม่ปกติแล้วกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากรรขาวถ้าทั้งดำทั้งขาววิบากรรทั้งดำทั้งขาวก็มาทำกรรมใหม่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยนะ เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมก็มาทำกรรมอันใหม่เนี่ยนะก็มาอบรมกรรมอันใหม่เนี่ยนะก็วิปัสนาเนี่ยรู้เห็นยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนาใช่ไหมก็รู้เห็นทั้งหมดเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นจึงเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะถ้าตามเห็นแล้วอะอโลภาเกิดก็คือการเจริญสมถะเนี่ยนะนะหรือไม่ให้มีอุปาทานก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิท่ให้ดีมีสติมีปัญญาให้ ให้เหมาะสมให้คู่ควรที่จะละอุปาทานได้ถ้าอย่างนี้ก็คลี่อันนี้ได้แรกพูดถึงว่าอดีตเป็นเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งใช่ไม้มไม้ท่อนหนึ่งอนาคตก็เหมือนกับไม้อีกท่อนหนึ่งปัจจุบันก็เหมือนกับไม้อีกท่อนหนึ่งตันหาเนี่ยมัดเอาไว้ผูกเอาไว้อย่างเงี้ยพันแล้วก็ไปเรื่อยอย่างงี้ยนะทีนี้วิธีก็ตัดตัหาจากสิ่งเหล่านี้ตัวตัว ต้นเหตุหลักๆจริงๆอ่ะนะก็คือถ้าเป็นยาจริงๆนะมันมียาที่จริงๆแล้วมันเป็นยาขมอะ่ะแต่ว่ามันอาศัยว่าเคลือบเท่านั้นเองเขามาไมัยเด็กๆเนะี่ยนะยาหวานๆนี่ชอบอมเล่นเสร็จแล้วมันไม่ได้หวานจริงโอ้โหแต่เจียนตั้งหลายครั้งเห็นไหมก็คือไอ้ตันหาส่วนใหญ่ก็มาเคลือบไว้กับพวกสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทำยังไงจึงยังไม่เคลือบคือความจริงของขันนะ่ะมันขมหมดอยู่แล้ว แต่ว่าตันหามันไปเคลือบเองเนี่ยนะมันก็เลยทําให้นึกว่าหวานที่ไหนได้ อ, อมเข้าไปจริงๆแล้วขมปีเลยเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะไม่ต้องเชือเอ่อบไม่ไม่เคลือบถ้าแค่ไม่เคลือบเท่านั้นแหละเนีย่ยนะถ้าถ้าไม่เคลือบเท่านั้นก็เห็นเห็นโทษเลยนะก็ยากอย่างว่าร่างกายนะถ้าไม่มีผิวสัอย่างเนียนะถ้าเกิดมาแล้วไม่มีผิวเลยนะถามว่าจางงามไหมก็อันนั้นแหละเคลือบเอาไว้ ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็คลี่นะทำปริญญากาหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันได้เคลือบไปปางมากเปล่าจริงเคลือบ ไ, ไ, ไปไม่หนาแต่ว่าเคลือบอย ก็เคลือบใบๆเข้าใบๆเข้าก็ bye, bye, เลยนะ ด, ดูอีกในหนึ่งนะพูดถึงในที่สในที่สามพูดถึงพิโสรโรบหนึ่งท่านบอกว่าสุขเวทนาเป็นส่วนสุดที่หนึ่งนนะทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดที่สองอัุขมสุขเวทนาเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัตุขมสุขเวทนานั้นไว้ เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แหละพิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรูย้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันนั่นเทียวเนี่ย น, นะก็อันนี้เอาเวทนานุปัสนาสติปาฐานมาจับนั่นเองนะเวทนาที่เป็นสุข ก, ก็สุดสุดอย่างหนึ่งเป็นทุกข์ก็ส่วนสุดอย่างหนึ่ง อุเบกขาเวทนาก็เป็นท่ามกลางตัณหาก็ร้อยรับเวทนาทั้งสาเอาไว้ทีนี้ถ้าจะไม่ให้ตัณหาร้อยรับในเวทนาสาควรพิจารณาอย่างไรเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะเห็นทุกข์เหมือนกับลูกสอนเห็นอุทุกข์ขมาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเมื่อผู้เจริญเช่นนี้ก็จะเป็นผู้สงบเที่ยวไป น, นะคือปกติสุขเวทนาเกิด โดยปกตินะถ้าสุขเวทนาเกิดราคะเกิดถ้าทุกขเวทนาเกิดโดยมากโทสะเกิดถ้าอุเบกขาเวทนาเกิดโดยมากโมหะเกิดทีนี้ถ้าหากว่าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกสอนเห็นอุนกคมาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จับสงบจากราคะโทสะโมหะได้เช่นนี้ก็เที่ยวไปน่ น, นะอันนี้ก็กาจัดส่วนสุดคือเวทนาได้ พิสุจอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดที่หนึ่งรูปเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางเนี่ยนะคืออันนัน้ถ้าตาก็ส่วนสุดอย่างหนึ่งใช่มเดี๋ยวกเดี๋ยวด้วยกรถาแป๊บนึง ท่านบอกว่ามาวิญญาณในส่วนท่ามกลางนี้หมายทั้งปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็วิญญาณทั้งหมด pillow, นะนะวิญญาณจิตจิตทุกดวงนี่เรียกว่าท่ามกลางเจตสิกถือว่าเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งรูปรูปก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งวิญญาณนี้เป็นท่ามกลางเนี่ยนะนะตัณหาก็เป็นตัวร้อยรัดเนี่ยนะตัณหารัดอะไรบ้างรัดนามด้วยรัดรูปด้วยรัรดตัวิ ญ, ญาณด้วยรัดหมดเลย เพราะว่า ต, ตันหาย่อมร้อยรับนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุ เ, ตเท่านี้แลภพิสูุชื่อว่ายอมย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรควรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำรรที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันเทียวเนี่ยนะก็เอานามรูปและวิญญาณนี่แหละมาทําปริญญานั่นเองเนี่ยนะอันนี้ในที่สี่ ส่วนในที่5ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอายตนะภายในเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอายตนะภายนอก6เนี่ยนะเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางเนี่ยนะเช่นตาเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งใช่ไหมสีก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งจิตเห็นก็เป็นส่วนท่ามกลางหูเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเสียงเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งโสตะวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลาง จมูกเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งกลิ่นเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งขานวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางลิ้นเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งรถก็เป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งชิวหาวิญญาณเป็นท่ามกลางกายเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งโพธิภาพเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งกายะวิญญาณเป็นท่ามกลางมโนคือผวังเนี่ยนะเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งธรรมะคืออารมณ์ของของมโนวิญญาณเนี่ยนะก็เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมโนวิญญาณเป็นส่วน ท่ามกลางก็คือความคิดนะนะอยู่ท่ามกลางอย่า ง, งั้นตันหาร้อยรัศชอบหมดเลยตันหานี้มีไม่ไม่ชอบตาไม่ชอบสีไม่ชอบจากครูวิญญาณนะไม่ใช่ตันหามันปกติเขาเกิดและชอบหมดเลยเพราะนั้นไอ้ตัวร้อยรัศสิ่งเหล่านี้แหละทําให้เกิดในภพ น, น, น, น, น, น, นั้นนะั้นเนี่ยนะความไอ้การเข้าไปเชื่อเคลือบไปเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้อันนี้แหละเป็นเหตุเกิดแห่งภพต่างๆ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 สกายะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอันนี้เนี่ยโลกิยาธรรมทั้งหมดนะนะโลกิยาธรรมนี่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งเหตุเกิดสกายะเป็นส่วนสุดที่สองสกายะหมายถึงอุปาทานขันท่านะอุปาทานขันท่าเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอุปาทานสมุาวยนะเหตุเกิดของอุปาทานอ่ะขออภัยเหตุเกิดของอุปาทานขันเหนไอันนั้นเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่ง ความดับสกายะเป็นส่วนท่ามกลางแต่หรืออีกสัมนวนหนึ่งก็ทุกขเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งทุกขสมุทัยเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งนิพพานอ่ะเป็นส่วนท่ามกลางพแบบนั้นตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตเพราะว่าตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตสกายะเหตุเกิดสกายะและความดับสกายะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งพบนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเทียวเนี่ยนะมันนยะที่6นี้หมายถึงเอาสัจจะเลยนะสกายะนี้เป็นทุกขสัจจะสกายะสมุทัยก็คือสมุทยาสัจจะสกายะนิโรดก็คือนิโรธสัจจะเนี่ยนะตัณหานี้เป็นตัวร้อยรัดเอาไว้นั้นถ้าหากว่ารอบรู้ สามสัจจะอย่างนี้ก็สามารถทาที่สุดแห่งทุก์ได้เมืนเมื่อพิสูจกล่าวอย่างนี้แล้วพิสูุนอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกับพิสูนผู้เทระทั้งหลายว่าดูก่อนอับูโซทั้งหลายพวกเราท er e ั persona persona, ้งปวงเทียวได้พยากรณ์ตามปฏิปฏิพานของตนของตนเนี่ยนะก็คือเอาพุทธพจน์มาตั้งแล้วนะแล้วก็ออกความเห็นกันนะ แต่ว่าความเห็นของทุกรูปไม่มีผิดสักรูปนะนะถูกต้องหมดเลยแต่ว่าเนื่องจากสมัยนั้นเนี่ยท่านเป็นสาวกท่านก็ปฏิ ญ, ญาณถึงความเป็นพระสาวกเมื่อปฏิญาณถึงความเป็นพระสาวกก็ต้องคิดว่ า, าศาสดาเรากล่าวเช่นใดเราก็ควรเอาตรงนั้นเป็นประมาณไม่ใช่เอาเอาเราเองเป็นประมาณมาเถิดเราทั้งหลายจักพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วจักกราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคเจ้าจาักทรงพยากร์แก่พวกเราโดยประการใดเราทั้งหลายจักทรงจำข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นไว้โดยประการนั้นพิสูุผู้เถระทั้งหลายรับคำของพิสูจนนั้นแลว้วครั้งนั้นพิสูุผู้เถระทั้งหลายได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีรพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมและก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครนั้นได้กราบทูลการที่สนทนาปราศัยทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีรพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอเป็นสุภาษิต เด่นนะคือสุภาษิตก็คือพูดดีนะพูดถูกต้องอะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําของเธอทั้งปวงเป็นสุภาษิตโดยปริยาเนี่ยนะแปลว่าโดยปริยายนี่แปลว่าโดยเหตุนะเป็นสุภาษิตโดยเหตุถูกต้องแล้วเนี่ยนะเราหมายเอาข้อความที่กล่าวไว้ในปัญหาของเมตยะมานพในปรายณสูตรว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลาง เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้เธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะพระองค์ก็เอามากล่าวว่าพิสูจนเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายภาษะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดภาษะเป็นส่วนสุดที่สองความดับภาษะเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตเพราะว่าตันหาย่อมร้อยรัตภาษะ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 อันนี้ก็จบในปรายณวัครนะปรายณสูตรที่ 7. เยกมาข้อความเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเอถ้าหากว่าฟังสูตรนี่เนี่ยนะก็ทำให้การพิจารณาธรรมะเนี่ยนะกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยนะแทนที่จะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็พิจารณาได้หลายหลายๆวิธีการาในบรรดาวิธีทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะอย่าลืมว่าผู้ที่ตอบปัญหาเหล่านี้ ท่านก็เข้าถึงที่สุดแห่งวิธีนั้นคือแทงตลอดอริยสัจอยู่แล้วเนี่ยนะันทุกวิธีก็สามารถช่วยให้พ้นทุกข์ได้เนี่ยนะนำออกจากกองทุกข์ได้ทีนี้การเอามาพิจารณาของเราทั้งหลายเราก็พิจารณาในแง่การเจริญธรร ม, มานุสติก็ได้ว่าธรรมะเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ที่แทงตลอดธรรมะเหล่านี้พ้นทุกข์ได้ นะอันนี้ก็เจริญสวากขาโตพระวตาธรรมโมในแง่นี้ก็ได้หรือในแง่นี้ว่าเราต้องปฏิบัติให้ตามนี้ให้ได้เพราะธรรมะนี้นําออกจากทุกขอันนี้ก็เป็นการมุ่งปฏิบัติถามว่าการตั้งใจบอกว่าโอ้เราจะปฏิบัติอย่างนี้แหละให้บรรลุการตั้งจิตอย่างนี้สมควรหรือไม่เนี่ยนะควรไหมคุณผู้ชมเตั้งนะอเราต้องพิจนารณาอย่างนี้เอาให้พ้นทุกข์ให้ได้สมควรหรือไม่ส ม, สมควรนะ <laughs> อ น, นะัสมควรอย่างยิ่งนะปัญหาก็คือ ทำยังไงจะได้ตั้งแค่นั้นเองคือถ้าตั้งแล้วทํายังไงจะมีใจรักในการพิจารณาอันนั้นแหละคือเรียกว่าฉันทาสมาธิประธานสังขารเนี่ยนะคือให้มีฉันทะก่อนใช่ไหมอ่ามีให้มีฉันทาแล้วก็ทําให้สมาธิประธานเนี่ยหมายถึงว่าความเพียรและทําให้เกิดสมาธิเนี่ยนะ ก, ก็สําคัญก็คืออยู่ที่ว่าเอาไปเจริญพ่อพูนให้บ่อยให้มากหรือไม่เนี่ยนะสำคัญมันมีหลายท่ามันจะลงท่าไหนก็พอพิจารณาท่าท่าคนที่เรียนมาหลายหลาท่านะ มันเหมือนกับว่าเอาอย่างนี้นะเปรียบเทียบถึงคนที่เรียนอาชีพมาเนี่ยนะเรียนวิชาชีพหลายๆวิชาชีพอยี่ยนะก็เลือกเอาว่าจริ ง, รงๆแล้วเราเหมาะกับอาชีพไหนมากที่สุดเนี่ยนะแต่ถ้าแสดงว่าเราชอบทุกอาชีพก็แสดงว่าก็ยังไม่ได้อยากรวยจริงอยงนั้นนอะยังไม่คิดจะประกอบอาชีพจริงอยงนั้นนะก็ยังเรียนรู้ไปก่อนงั้นนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องจับอาชีพหนึ่งอาชีพใด คือนี่หมายถึงว่าเรารู้อัธยาศัยของเราเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราเราเนึกว่าอันนี้แหละเหมาะกับเราที่เหมาะกับเราเนะเราสังเกตดูบางทีเราอาจจะไปได้รับคำชมของผู้ใดผู้หนึ่งก็ชมมาเราก็ปลูกฝังเอาไว้นะว่าเอออย่างนี้ดีนะนั้นมาศึกษาเรื่องนี้ก็นึกชอบไปเลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ถูกอัธยาศัยก็ได้เนี่ยนะถ้าอย่างนันมันมามาเปรียบเทียบกับเป็นอาชีพ หรือเปรียบเทียบกับเป็นท่าที่เราจะลงนถ้าหากเราตั้งตั้งปฏิฐานเอาไว้เลยว่าท่าหนึ่งนะที่เราจะลงเนี่ยเพราะงี้ก็ลงมป็นท่าเดียวนี่แหละคือเอ่อบางคนเนี่ยนะถ้าพิจารณาหลายๆอย่างอาจจะเบาเนี่ยนะคือธรรมะจับแบบแบบทางโลกนะบางทีจะต่างกันถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบนั้นมันไม่สมบูรณ์หรอกแต่ก็เปรียบเทียบเท่านั้นเอง คือจริงๆแล้วนะถ้าเปรียบเทียบท่าไหนก็ตามถ้าพิจารณาแล้วกุศลเจริญเลยเนี่ยนะจะท่าไหนนะถ้าอุปนิสัยถึงพร้อมนะเวลาพิจารณาไปจะรู้เองว่าเออเรื่องนี้เราพิจารณาแล้วไม่มากอย่างโดยเฉพาะอย่างอาการ32นะวิธีสาธยายท่านให้สาธยายให้ครบทั้ง32เลยเกสาโลมานะขาธันตาตาจโจมังสังนะหาดูอัติอติมินชางวักกังเนี่ยนะก็ว่าให้ทั้งหมดเลยแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆแล้วมันจะมีอันใดอันหนึ่งที่ชัด แต่ตอนว่านี่อย่าไปนึกว่าฉันจะเอาแต่ตายอย่างเดียวนะฉันจะเอาแต่ผมอย่างเดียวนะไม่ต้องอนนให้พิจารณาแล้วมันจะบอกอัธยาศาัยเองว่าอะไรชัดที่สุดก็จะเอาอันนั้นเป็นหลักเอาไว้ตอนตอนหลังก็จะเอาอันนั้นเป็นหลักธรรมะก็ศึกษาในแง่นั้นเอา